พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเราทำบุญกันอย่างสม่ำเสมอเพราะบุญเป็นที่พึ่งของใจเป็นอาหารของใจใจก็เป็นเหมือนร่างกายร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งคือมีปัจจัยสี่ใจก็ต้องมีที่พึ่ง เือมีบุญสิบประการด้วยกันบุญนี้ไม่ใช่เพียงแต่บุญที่เกิดจากการทำทานการเสียสละอย่างที่ญาติโยมทากันในวันนี้อันนี้เป็นหนึ่งในบุญสิบประการด้วยกันเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานไม่มีแต่ข้าวอย่างเดียวต้องมีผักมีเนื้อมี มีผลไม้มีอะไรหลายอย่างร่างกายถึงจะสมบูรณ์แข็งแรงใจของพวกเราจะสมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องทําบุญหลายๆอย่างด้วยกันไม่ใช่เพียงแต่ทําบุญทําทานเพียงอย่างเดียวบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทํากันนี่ มีอยู่สิบประการเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบมีหนึ่งทานบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานคำว่าบุญนี้ต้องอธิบายก่อนคือความอิ่มใจสุขใจเหมือนเวลาเรารับประทานอาหารรับประทานเสร็จก็อิ่มท้องอิ่มกายบุญนี้แปลว่าอิ่มใจสุขใจ การอิ่มใจสุขใจนี้เกิดได้สิบวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งคือทานแปบลบว่าให้หรือเสียสละแบ่งปันเช่น ญ, ญาติโยมนำเอาเข้าวของสิ่งของเงินทองมาถวายวัดถวายพระในในวัดอันนี้เรียกว่าเป็นการทำทานเมื่อทำทานแล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา เรียกว่าบุญอันนี้เป็นบุญชนิดแรกบุญที่เกิดจากการทำทานบุญชนิดที่สองเรียกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลละเว้นจากการกระทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขอื่น นี่เรียกก็ บ, บุญชนิดที่สองบุญชนิดที่สามเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าการพัฒนาปรับปรุงจิตใจหรือการชำระซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเวลาที่เราอาบน้ า, นาให้กับร่างกายร่างกายเราสกปรกด้วยเหงื่อคลด้วย <c oughs> สิ่งเปื้อนทั้งหลาย วันวันหนึ่งเราเลยต้องมีการอาบน้ําชําระร่างกายการภาวนาก็เป็นการชําระจิตใจภาวนาก็มีสองระดับด้วยกันสมถ ภ, ภาวนาวิปัสสนาภาวนาเหมือนอาบน้ําแล้วก็ขั้นที่สองก็ฟอกสบู่เพราะฟอกสบู่จะทําให้สะอาดกว่าถ้าอาบน้ํำเปล่าๆไม่มีสบู่ก็สะอาดไม่หมด เหมือนกับการฟอกสบู่นี่คือบุญพออาบน้ำเสร็จก็รู้สึกสบายใจสบายกายเวลาเราได้อาบน้ำแล้วรู้สึกร่างกายสะอาดมีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานการชาระใจก็เช่นเดียวกันการภาวนาก็จะทำให้จิตใจเราสดชื่นเบิกบานมีอยู่ นี่เป็นบุญชนิดที่สามคือภาวนาบุญชนิดที่สี่คือการอนุโมทนาบุญอนุคือการอุทิศบุญอุทิศบุญก็คือแบ่งบุญที่เรามีให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนี้เขารับบุญจากเราได้เช่นพ่อแม่บิดามารดาปุยญาตายายญาสนิทมิตรสหาย ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบางทีตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่มีโอกาสได้ทำบุญเขาเลยไม่มีบุญติดตัวไปเขาก็อาจจะมาเข้าฝันมาขอบุญจากเราถ้าเขามาขอบุญเราก็สามารถส่งบุญไปให้เขาได้เช่นอ น, นุญาโยมมาทำบุญเอาเข้าวของมาถวายวัด เท่าทำเสร็จญาตโยมก็อุทิศบุญได้เลยตั้งจิตอธิษฐานขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้ารอรับอยู่ก็ขอให้มารับไปได้เลยไม่ต้องรอให้พระอยะถาสัพปีไม่ต้องมีน้ําอันนี้เป็นพิธีไม่ได้เป็นตัวแผ่ไม่ไม่ใช่เป็นการอุทิศบุญการอุทิศบุญอุทิศที่ใจของเรา ใจที่เราได้ทำบุญใบใหม่พอทำบุญเสร็จปั๊บก็อุทิศไปได้เลยใส่บาตรเสร็จก็อุทิศได้เลยไม่ต้องรอให้พระให้พรยักถาสัพพีไม่ต้องเตรียมน้ำไม่กรวดนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีก็ไม่ไม่มีผลแต่อย่างใดมีหรือไม่มีน้ำก็ไม่ได้มีผลตายอย่างใดนะ ตัวที่จะมีผลก็คือบุญมีหรือเปล่าได้ทำบุญหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำบุญมันก็จะมันก็จะไม่มีบุญอุทิตนนี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิตส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้เป็นบุญชนิดที่สี่พอเราอุทิตบุญแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาว่าเราได้ช่วยเหลือ ญาติพี่น้องผู้เลี้ยงรับไปแล้วให้เขาได้อยู่อย่างสุขสบายเหมือนเราบุญข้อที่ห้าเรียกว่า บ, บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเวลาที่เราเห็นใครเขาทำบุญเราควรที่จะแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้กับเขาอย่าไป มีความรู้สึกไม่ดีต่อการทำบุญของผู้อื่นบางคนเห็นคนอื่นทำบุญแล้วไม่ได้ทำเองก็อิจฉาลิษยาอย่างนี้ไม่ดีเพราะอิจฉาลิษยาจะทำให้ใจเศร้าเศร้าหมองไม่มีความสุขแต่ถ้าอนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีจะมีความสุขเห็นใครเ้าทำบุญต้องมีความดีใจไปกับเขาเพราะว่า เขาจะได้เขาได้ความสุขเราไม่มีเราเป็นคนเราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้มีเมตตาพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเรามีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามขอให้เขามีความสุขเถิดถ้าเขาทำบุญแล้วเขามีความสุขเราก็ควรที่จะชื่นชมยินดีสาธุไปกับเขา เช่นใครเข้ามาบอกว่าเขาเพิ่งไปทําบุญกลับมาจากที่วัดวัดนั้นวัดนี้แล้วก็บอกสาธุเจ้าสาธุดีใจด้วยเพอได้เวลาตายไปจะได้มีบุญติดตัวไปจะได้ไม่ต้องมารบกวนเราส่งบุญไปให้เขานี่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาพอเราชื่นชมยินดีไปกับการทําบุญของผู้อื่น ใจเราก็มีความสุขขึ้นมาสุขใจขึ้นมาถ้าเราอิจฉาหริษยาหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทําบุญของผู้อื่นเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้เป็นเงินทองของเขาเป็นบุญของเขาทำไมเราต้องไปมีความทุกข์กับการทําบุญของผู้อื่นทำไมสู้มีความสุขกับการทําบุญของผู้อื่นไม่ดีกว่าเลยนี่คือบุญ ข้อที่ห้าคืออนุโมทนาบุญถ้าใครเขาทำบุญก็สนับสนุนเขาส่งเสริมเขาใครอยากจะทำบุญก็ส่งเสริมเขาอาจจะช่วยเขาก็ได้ช่วยร่วมบุญเพื่อให้เขาได้ทำบุญได้สําเร็จบางทีเขาทำบุญแต่ยังขาดนิดหน่อยจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ยังขาดเงินทองนิดหน่อย เราก็ร่วมบุญไปอันนี้ก็เป็นการทำสองอย่างทำทำทานด้วยแล้วก็อนุโมทนาบุญไปด้วยเราก็ได้บุญสองกระทงสองขั้นสองตอนบุญข้อที่หกบุญที่เกิดจากการการ รับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเราเห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราพอที่จะช่วยอะไรได้ก็ช่วยเขาไปอาจจะไม่ได้มีเงินทองจะช่วยเขาแต่มีเลี่ยวแรงมีกำลังกายก็ใช้กำลังกายเป็นการช่วยเหลืออย่างมีญาติโยมที่มาช่วยกันเผยแผ่ธรรมะถ่ายทอดสดทุกวันนี้ นี่ก็เป็นญาติโยมที่มาทำบุญชนิดนี้ทำบุญบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเผยแผ่ธรรมะให้ไปอย่างกว้างไกลมาจัดการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่เวลาญาติโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรมจะได้ฟังได้อย่างสะดวกสบายนั่งอยู่ตรงไหนก็สามารถได้ยินได้ฟังธรรม อันนี้เกิดจากการเสียสละของญาติโยมกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ า, าผู้ที่ร่วมบุญในการเผยแผ่บุญท่านก็มากันเป็นประจำเสียสละเวลาเสียสละเงินทองพอมานี่ก็ต้องขับรถมาต้องใช้ค่าน้ำมันค่าอะไรแต่ไม่ได้มาเรียกร้องเอาผลตอบแทนแม้แต่บาทเดียว มาเพื่อบุญจริงๆนี่คือการบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้บางท่านก็ไปเป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรต่างๆปอเต็กตึงร่วมกันอยู่ช่วยไปเก็บศพช่วยส่งคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลเป็นบริการที่ไม่คิดเงินทองะ ต้องการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเวลาเกิดเคาะภัยต่างๆเวลาเกิดความทุกข์ยากลาบากอาสาสมัครเวลามีน้ำท่วมมีไฟไหมมีเหตุการณ์ที่ต้องมีความช่วยเหลือกันต้องมีหลายๆคนร่วมกันช่วยกันรวมด้วยช่วยกันนี่เป็นบุญชนิดที่หก คือบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นบุญข้อที่เจ็ดก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะรู้จักที่สูงที่ต่ำไม่อวดเก่งอวดแบ่งอวดดีอวดตนคนที่อวดเก่งอวดดีนี้มักจะ ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยจะไม่มีเพื่อนฝูงจะไม่มีความสุขต้องอยู่คนเดียวอยู่ไปที่ไหนไปอวดแปลงไปอวดเก่งก็ไม่มีใครที่เขาชื่นชมยินดีด้วยแต่คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะนี่ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักคนเอ็นดู คนที่อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนี่ก็คือบุญอีกชนิดหนึ่งบุญข้อที่เจ็ดบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะรู้จักที่สูงที่ต่ำบุญข้อที่แปดคือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรม การฟังธรรมนี้จะทำให้เราได้ความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนแล้วความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนนี้จะกล่อมจิตใจของเราให้สงบทำให้จิตใจเรามีความสุขขึ้นมาแล้วสามารถนำเอาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติ การฟังธรรมนี้ฟังเพื่อให้รู้ว่าวิธีที่จะสร้างความสุขดับความทุกข์เป็นอย่างไรเช่นวันนี้ญาติโยมมาฟังธรรมกันได้มาฟังเรื่องบุญสิบประการด้วยกันอันนี้เป็นความรู้ที่ญาติโยมอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ได้หรือได้ฟังมาแต่อาจจะไม่ได้ฟังครบทั้งสิบประการก็ได้เอ เพราะส่วนใหญ่จะได้ยินได้ฟังแต่ทานกับศีลเป็นหลักหรือภาวนาอันนี้วันนี้ก็จะมาได้ฟังครบสิบวิธีของการสร้างความสุขใจของการดับความทุกข์ใจจะดับทุกข์ใจได้จะสร้างความสุขใจได้ต้องรู้จักวิธีจะรู้จักวิธีก็ต้องฟังเทศฟังธรรมต้องฟังคาสอนของพระพุทธเจ้า การฟังธรรมนี้เหมือนไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปหาความรู้ถ้าเรียนบ่อยๆก็จบปริญญาพอได้ปริญญาก็สามารถเอาความรู้นี้ไปสมัครงานได้เอาปริญญานี้ไปสมัครงานได้แทนที่จะเป็นคนล้างถ้วยล้างชามเป็นพานลรงเป็นคนตัดหญ้าคนใช้แรงงานกลับไปเป็นผู้จัดการไปเป็นหัวหน้าได้ เพราะมีความรู้มีปริญญาคนที่มีธรรมะก็สามารถที่จะเอามากําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้กําจัดถึงขั้นสูงสุดเลยคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปอันนี้จะให้ความสุขสูงสุดคือการไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ตอนนี้พวกเรายังมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรายังไม่รู้ว่าเรานี่ตายแล้วเรายังไปเกิดต่อไปเกิดใหม่พอเกิดใหม่ก็ไปทำบุญทำบาปใหม่ทำบุญทำบาปใหม่แล้วก็ตายใหม่ตายแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือวิถีชีวิตของจิตใจของปุตุชนอย่างพวกเรา ถ้าไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมจะไม่มีวันที่จะรู้เรื่องวิถีชีวิตของจิตใจของพวกเราว่ามาอย่างไรไปอย่างไรแต่ถ้าได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะรู้ว่าวิถีชีวิตของจิตใจเรานี้มามาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาทำบุญทำบาปในขณะที่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย แล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆไปสุขคติบ้างไปทุกขคติบ้างถ้าทำบุญตายไปก็ไปสุขคติไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบาปตายไปก็ไปอบายชั้นต่างๆอันนี้เป็นวิถีชีวิตของจิตใจของพวกเราที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกัน ถ้าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้จะไปอย่างนี้ต่อแต่เราสามารถเลือกทางได้เมื่อก่อนเราไม่รู้เราคิดว่าตายแล้วศูนย์ทำบุญก็ไม่ได้มีผลตายไปทำบุญทำบาปก็ไม่มีผลหลังจากที่เราตายไปเราก็เลยไม่ไม่หวาดกลัวกับการกระทำบาปไม่ค่อยสนใจกับการกระทำบุญ แต่พอเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วทีนี้เราจะได้รู้แล้วว่าการทำบุญนี้มีผลตามมาหลังจากที่เราตายไปการทาบาปก็มีผลตามมาผลไม่ดีตามมากับการทำบาปผลดีตามมากับการกระทำบุญพอเรารู้ว่ามีผลเราไม่ได้สูญไปกับความตายของร่างกายเราก็จะได้มีความ ความกลัวก่อการกระทำบาปเราจะมีความยินดีที่จะทำบุญเมื่อเรารู้ว่าเราทำแล้วเราไม่ได้ศูญย์เปล่าไม่ได้ขาดทุนทำบาปเราก็ต้องไปรับผลบาปมันก็จะทำให้เรามีเป้าหมายของชีวิตที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าเราต้องทำบุญเราต้องรับบาป แล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เราเป็นอยู่เราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ใจที่มีกิเลสตัณหานี้จะถูกกิเลสตัณหาคอยเดึงให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราชำระกิเลสตัณหาด้วยการัด้วยการปฏิบัติภาวนาเป็นบุญขั้นที่สาม ถ้าทำได้เราก็จะสามารถยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปแต่การไม่ได้มาเกิดไม่ได้หมายความว่าเราได้เราสูญหายไปไหนเราก็อยู่ในโลกทิพย์อยู่ในสวรรค์ชั้นพระนิพพานเป็นสวรรค์ที่มีความสุขสูงสุดถ้าเป็นโรงแรมก็โรงแรมระดับห้าดาว มีความสุขมากที่สุดนะ น, นี้คือความรู้เราที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรร ม, มได้ความรู้ได้ความสุขใจได้มีความหวังได้รู้ว่าชีวิตเรานี่มีความหวังชีวิตนี้มีจุดหมายปลายทางที่เราสามารถเป็นผู้ควบคุมบังคับให้ไปได้ไม่ได้อยู่แบบย่ท้ากรรมตามมีตามเกิดแต่อย่างใด อันนี้คือบุญข้อที่แปดคือบุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เราก็จะได้บุญข้อที่เก้าบุญข้อที่เก้าคือการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าเราเป็นใจเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันตายแต่ใจต้องไปเกิดต่อ ถ้ายังมีบุญมีบาปหรือถ้ายังมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยู่ภายในใจพอร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากนี้ก็จะดึงให้ไปเกิดใหม่ระหว่างที่ไปเกิดใหม่ก็ต้องแวะไปใช้บุญใช้กรรมก่อนถ้าได้ทำบุญทำกรรมไว้ก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรมก่อนแล้วถึงไปเกิดใหม่พอเกิดใหม่ก็กลับมาทาบุญทาบาปใหม่ มาหาความสุขทางร่างกายเพราะมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยากจะหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงต้องมาเกิดมามีร่างกายกันถ้าเราชำระใจให้สะอาดกำจัดความอยากที่จะมีความสุขผ่านทางร่างกายได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดต่อไปนี่คือความเห็นที่ถูกต้องเีย้วก็ บ, บุญ ซึ่งจะเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมเท่านั้นเพราะเราเองคงจะไม่มีความสามารถที่จะคิดค้นความรู้เหล่านี้ได้ด้วยตนเองเราต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูงมาสั่งมาสอนธรรมะแล้วพอเราได้ยินได้ฟังธรรมเราจะได้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจรงิงบาปมีจรงิงเห็นว่า ตายแล้วไม่สูญเห็นว่าตายแล้วต้องไปเกิดถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่ถ้าชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องมาทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุก์กับการพัดพรากจากกันอย่างที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้ความทุกขเหล่านี้จะไม่มีอีกต่อไป เพราะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นยังมีความทุกข์ตามมาเสมอไม่ว่าจะเกิดดีขนาดไหนก็ตามเกิดเป็นมหาเศรษฐีเกิดเป็นพระราชามหากาศัตริ์เกิดเป็นรัฐมนตีนายกประธานาธิบดีเป็นอะไรก็ตามก็ต้องเจอความทุกข์เหมือนกันหมดเพราะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเหมือนกันหมด ผู้ที่ไม่ทุกข์ต้องเป็นผู้ที่ไม่มาเกิดเท่านั้นนี่คือบุญข้อที่เกบุญที่เกิดบุญที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องจะมีสัมมาทิฏฐิก็ต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วข้อที่สิบก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเรียกว่าธรรมทานเราสามารถ แบ่งธรรมะให้กับผู้อื่นได้เช่นถ้าเรามีหนังสือธรรมะดีๆเราอ่านจบแล้วเราเก็บไว้ก็ไม่ได้ดูเราก็ให้คนที่เขาไม่ได้อ่านไปก็ได้เรียวกว่า บ, บริจาคธรรมะให้ธรรมะหรือถ้าเรามีกำลังทรัพย์เราก็อาจจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกธรรมะนี้เป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าของต่างๆในโลกนี้ ให้อะไรก็สู้ให้ธรรมะไม่ได้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะรดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงลดแห่งธรรมคือรดวิมุตติลดของการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้กับผู้สัมผัสได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะให้ลดแห่งธรมรมลดแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง น, นี่คือบุญสิบประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพวกเราชาวพุทธเหมือนก็ทำกันอย่างสม่ำเสมอแต่บุญสิบประการนี้เราสามารถแยกออกเป็นสองสองส่วนได้แบ่งเป็นบุญที่เรียกว่าบุญหลักแล้วก็บุญเสริมบุญหลักก็เป็นเหมือนอาหารหลักเรามีอาหารหลักเรามีอาหารเสริม เราต้องกินอาหารหลักเป็นประจำอาหารเสริมนี่บางทีมีก็กินบางทีไม่มีไม่กินก็ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เสียหายเช่นขนมของหวานต่างๆนี่กินก็ได้ไม่กินก็ได้อาหารแต่อาหารบางอย่างนี้ต้องกินเช่นข้าวกับข้าวนี่ต้องกินอยู่เป็นประจำบุญก็เหมือนกันบุญนี้ก็มีเป็นสองกลุ่มใหญ่ กรมแรกเรียกว่าบุญหลักอาหารหลักบุญหลักนี้เราต้องทําเป็นประจําทุกวันทําให้ได้ทุกวันเพราะเป็นเหมือนอาหารที่เราจะรับประทานทุกวันส่วนบุญเสริมเราก็ทําไปตามโอกาสมีโอกาสทําเราก็ทําไม่ไม่โอกาสทําเราก็ไม่ทําก็ได้เช่นขนมเค้กเราไม่ได้กินทุกวันเรากินเฉพาะวันเกิดวันปีใหม่เวลามีงานมีอะไรนานๆก็ กินขนมเคกสักทีกินขนมอย่างนั้นขนมอย่างนี้มนไหนไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนันไหนมีกินก็ถือว่าได้โบนัสได้ของแถมได้กำไรชีวิตจากการได้กินอาหารเสริมต่างๆบนหลัก บุญหลักมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งการทำทานเ mm hmm. ช่นใส่บาตรทุกวันเห็น mm hmm. ช, ชาวบา้านชาวพุทธเราสมัยก่อนนี้จะใส่บาตรกันทุกวันมีพระมาบิณฑบาตรผ่านบ้านก็ถ้าเป็นชาวพุทธก็จะศรัทธาใส่บาตรกันก็จะได้ยินอาหารหลักทุกวันทำทานเนี่ยต้องรักษาต้องทำทุกวันถ้าทำได้ถ้าสมัยนี้ไม่มีพระผ่านมาที่บ้านเราเรายังทำได้เรามี กระปุกบาทเดีย๋ยวนี้ก็มีคนทํากระปุกเก็บเงินเป็นรูปของบาทนะถ้าเราอยากจะทําบุญเราก็เอาเงินหยอดเข้าไปในกระปุกนวันนี้ใส่บาทสิบบาทเ อ, อวันนี้ได้ใส่บาทแล้วถ้าใส่แบบนี้ทำนี้ทุกวันก็ถือว่าได้ทําบุญพอเวลากระปุกเต็มเราไปวัดเราก็เอากระปุกนี้ไปถวายวัดน ไปถวายให้กับวัดไปให้วัดเอาไปใช้ประโยชน์ตามที่ทางวัดเห็นสมควรอจะเอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่เหมือนสมัยก่อนไม่มีค่าน้ําค่าไฟเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ยาโยมใส่บาตรก็ไม่ได้ใส่ค่าน้ําค่าไฟไปด้วยเ อ, อก็เราก็ไปถวายวัดในส่วนนี้ก็ได้ก็เหมือนกับได้ใส่บาตรเหมือนได้ทําทานออการทําทานนี่ไม่จําเป็นจะต้องใส่บาตรอย่างเดียวเอ ให้เรามีการเสียสละบริจาคสมบัติส่วนตัวให้กับผู้อื่นไปแมไม่ทำกับวัดก็ได้อยากจะทำกับที่อื่นที่เขาเดือดร้อนกว่าก็ทำได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับองค์กรสาธารณการกุศลต่างๆเช่นองค์กรป้ปอเต็กตึงร่วมกับตันยู ทำได้สภากาชาติไทยขอให้เราทําขอให้เราเสียสละเงินทองของเราเงินทองที่มีคุณค่าที่บางทีเราแทนที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเรากลับไปใช้ให้เกิดโทษกับเราก็ได้ใช้เงินทองอยังไงทําให้เกิดโทษก็เอาเงินไปทองไปใช้กับพวกอบายามุขต่างๆไปดื่มสุราอย่าไปซื้อสุรามาดื่มไปเล่นการพนัน ไปแทงหวยแทงลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้อะไรน้อยคนที่จะถูกถูกลอตเตอรี่กันแทงแล้วก็ผิดเสียเงินไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรนีมีแต่เสียเงินหรือว่าไปเที่ยวกันไปเที่ยวก็มีความสุขเดียวเดียวไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อซื้อมาแล้วก็ดีใจเดียวเดียว แล้วก็ติดติดซื้อติดเที่ยวติดดิมจะทาให้ไม่มีเงินทองมาทำบุญถ้าคนใช้เงินไปในทางนี้มักจะไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแต่ถ้าดึงเอาเงินทองมาทำบุญการอยากซื้อของฟุ่มเฟือยการอยากจะไปเที่ยวการอยากจะซื้อ เสพอบายมุก mm hmm. ก็จะไม่มีจะปลอดภัยกว่าแล้วจะมีบุญติดตัวไปเวลาตายไปพวกที่ไม่ทำบุญเนี่ยเป็นพวกที่เราต้องคอยส่งบุญไปให้อยู่เรื่อยเพราะตามมีชีวิตอยู่ก็อาจจะไม่เชื่อเพราะอาจจะไม่เคยฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะไม่เชื่อหรือมีความอยากจะใช้เงินไปในทางอื่นมากกว่า คนที่อยากจะดื่มสุราเขาก็อยากจะดื่มไปเรื่อยๆคนที่อยากจะเที่ยวเขาก็อยากจะเที่ยวไปเรื่อยๆเขาก็ต้องเก็บเงินมาเที่ยวมาดื่มสุราเรื่องอะไรเขาจะเอาเงินไปทําบุญทําบุญแล้วเขารู้สึกว่าไม่ได้อะไรมีแต่เสียเงินได้ไปเที่ยวกับได้ความสนุกสนานได้ดื่มโุราได้ความสุขทางจากการดื่มสุราแต่เขาไม่เห็นพิษของการกระทําเหล่านี้ว่ามันทําให้ติด ติดแล้วก็จะทำให้ต้องทำอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้ทำหรือไม่มีเงินทำก็อาจจะไปต้องต้องไปหาเงินโดยการกระทำบาปไปลักขโมยไปช่อโกงเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้กับใช้กับการกระทาที่เราทำแล้วติดคืออบายามุขเอ่ยการเที่ยวเอยการซื้อของฟุ่มเฟือยเอ่ยแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญเนี้ มันจะไม่ทำให้เราติดบุญไม่มีเงินไม่มีเงินทำบุญก็ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับไม่มีเงินเดือบสุราถ้าติดสุราแล้วเวลาไม่มีเงินซื้อสุรามาเดือบนี่มันทรมานนี่อันนี้เป็นประโยชน์ของการใช้เงินอย่างที่ถูกวิธีเอาเงินมาทำบุญดีกว่าแล้วก็ทำกับใครก็ได้ไม่ต้องทำกับวัดเพียงอย่างเดียวทากับพ่อกับแม่ก็ได้ ทำกับคนในบ้านก่อนต้องดูแลคนในบ้านให้เขาอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขก่อนแล้วค่อยไปดูแลคนนอกบ้านต่อไปดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่อยู่สุขสบายไม่ขาดไม่ขาดแคลนไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ยากลําบากเมื่อพ่อแม่อยู่ดีญาติพี่น้องในบ้านอยู่ดีกินดีกันทุกคนยังมีกําลังที่จะทําบุญต่อก็ไปทํานอกบ้านต่อไป ถ้ามีศรัทธาในวัดก็ไปทําที่วัดมีศรัทธาที่โรงเรียนก็ไปทําที่โรงเรียนมีศรัทธาที่โรงพยาบาลก็ไปทําที่โรงพยาบาลได้บุญเหมือนกันได้ความอิ่มใจสุขใจเหมือนกันนนี้เป็นการกระทําที่เราควรจะทํากันเป็นประจำ เพราะจะทำให้จิตใจเรามีอาหารหล่อเลี้ยงตลอดเวลานั่นเองทำให้จิตใจเราเย็นสบายไม่เครียดกับการอยากได้นู่นได้นี่ไม่เครียดกับการอยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นี่คือทานขอให้เราทำกันเป็นประจำถ้าอยากจะใส่บาทแต่ไม่มีผ้ามาที่บ้านก็เอาเงินใส่กระปุกวันละสิบบาทยี่สิบบาท แล้วแต่กำลังมีมากก็ใส่มากมีน้อยอยากจะทํามากก็ทําไปทําน้อยก็ทําไปทํามากก็ได้บุญมากทําน้อยก็ได้บุญน้อยเหมือนกินอาหารกินจานเดียวก็อิ่มสู้กินสองจานไม่ได้อยากจะให้อิ่มมากก็ต้องกินมากอยากให้สุขมากก็ต้องกินมากอยากจะได้ความสุขทางใจมากก็ต้องทําบุญมาก น, นี่คือข้อที่หนึ่งอาหาร อาหารใจที่เราต้องรับประทานอยู่ทุกวันคือการทำทานข้อที่สองอาหารหลักที่เราต้องมีประจำก็คือศีลอย่างน้อยก็ต้องศีลห้าเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้เพราะศีลห้านี้จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายตายไปถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราไม่ต้องไปอบายเพราะเราจะปิดประตูอบาย ถ้าทำบาปแล้วถึงแม้ทำบุญทุกวันก็ยังต้องไปอบายอยู่การทำบุญนี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราไปอบายสิ่งที่จะห้ามไม่ให้เราไปอบายคือศีลถ้าไม่อยากจะไปเกิดอบายต้องรักษาศีลไม่ทำบุญไม่ทำบุญไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ทำบุญก็จะทำให้เราเหมือนกับคนขอทานเท่านั้นเองไม่มีไม่มีทรัพย์ไม่มีความอิ่มใจสุขใจ แต่ถ้าไม่ทำไม่รักษาศีนี้เวลาตายไปนี้จะต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบายนี้ต้องรักษาศีลบุญนี่จะทำหรือไม่ทำไม่เกี่ยวกับเรื่องของอบายเรื่องของอบายนี้อยู่ที่การรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลถ้ารักษาศีนได้ก็จะไปไม่ไปอบายถ้ารักษาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ก็จะมีโอกาส มากน้อยตามกําลังของศีลที่เรารักษาถ้ารักษาได้น้อยโอกาสจะไปอบายก็มีมากถ้ารักษามากโอกาสจะไปอบายก็มีน้อยแต่ยังมีโอกาสถ้าไม่สามารถรักษาศีลได้ครบร้อยตลอดเวลาอันนี้ถ้าไม่อยากตายไปไม่อยากจะไปเกิดในอบายอบายมีอยู่สีที่ด้วยกันที่ของสัตว์เดรัจฉาน ที่ของเปรตที่ของอสุรกายที่ของนรกเนี่ยวิธีไปสถานที่เหล่านี้ไปอย่างไรถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปไปเกิดเป็นเดระฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรก ถ้าไม่อยากไปนรกนี้ต้องให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมต้องให้ความเมตตาต่อกันละกันใครเขาทำร้ายเราทาให้เราโกรธทาให้เราเสียใจเราต้องให้อภัยเขานงับการจองเวรจองกรรมแล้วเราจะได้ไม่ไปไปนรกถ้าเราไม่อยากไปเป็นเปรตก็อย่าโลภ อย่าอยากได้ของที่ไม่ใช่เป็นของเราถ้าอยากได้ไปหามาด้วยการทำงานหาเงินหาทองโดยวิธีสุจริตอย่างนี้ไม่ไปเป็นเปรตแต่ถ้าไปขโมยเงินคนอื่นนี่เดี๋ยวไปจะไปเป็นเปรตไปขโมยเงินไปขโมยข้าวของอะไรต่างๆของคนอื่นเขาไป <S <S เพื่อที่เราจะได้มีเงินทองมากๆอย่างนี้จะทำให้ตายไปปัดกลายเป็นเปรตได้ แต่ถ้าหาเงินหาทองโดยไม่ได้ทำบาปนี้ไม่ไม่ไปเป็นเปรตเนี <c> ่ย <oughs> นี่คือเรื่องของศีลที่เราควรที่จะรักษากันให้ได้เป็นประจำถ้าเราฝึกหัดทำตอบทาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะรักษาได้เพราะการรักษาศีลนี่ม่ง่ายยิ่งกว่าการทำบาปการทำบาปนี่มันยากนะกับการไม่ทำบาปนี่ง่ายกว่าการไปฆ่าคนกับการอยู่เฉยๆนี่อันไหนง่ายกว่ากัน การไปขโมยเงินทองของคนอื่นกับการอยู่เฉยนี่อันไหนง่ายกว่ากันเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่เฉยตอนนี้ญาติโยมมีศีลครบทั้งห้า้อแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปดไม่ได้ดื่มสุรายาเมาเนี่ยหัดนั่งเฉยเฉยให้ได้หัดอยู่เฉยเฉยให้ได้ก็จะไม่ทำบาปได้ ไม่ยากเย็นหรอกการทําบาบนี่ยากกว่าเวลาจะไปฆ่าใครนี่ต้องวางแผนก่อนนะต้องคอยไปดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเวลาไหนเขาทําอะไรอยู่ตรงไหนแล้วไหนต้องไปหาอาวุธเอกไปไปซื้อมีดซื้อปืนอะไรเยอะแยะไปหมดหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปจ้างมือปืนอะไรการทําบาปมันยากแต่เรากลับทํากันง่ายการไม่ทําบาบกลับเป็นของยากไปได้ ก็เพราะว่าใจของเรานี้มันไม่มีการควบคุมดูแลนันมีกิเลสตัณหามากพอเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมานี่การทำบาปนี่กับกลายเป็นของง่ายไปการอยู่เฉยๆกับกลายเป็นของยากไปแต่เราสามารถพลิกได้พลิกจากการ ทำบาปให้เป็นของยากได้แล้วการไม่ทำบาปเป็นของง่ายได้ถ้าเรามาภาวนากันมาทำบุญขั้นที่สามคือการภาวนาถ้าเราทำภาวนาได้เราจะหยุดใจเราได้หยุดความโลภความโกรธความหลงได้พอเกิดความโกรธเราก็หยุดมันพอหยุดมันปั๊บความอยากจะไปทำบาปก็าหายไป อันนี้อันนี้ก็เป็นบุญข้อที่สามที่เราควรที่จะฝึกทากันอยู่เป็นประจำข้อที่หนึ่งคือทานข้อที่สองคือศีลข้อที่สามคือภาวนาเราต้องมาฝึกจิตมาชําระจิตมาซักพอกจิตใจเหมือนกับการมาอาบน้ำร่างกายเราวันวันห น, นึ่งไปคลุกคลีกับของสกปรกต่างๆขี่ฝุ่นบ้างที่เหงือ่อคี้ครบ้าง โดนของเปรอะเปืบางอย่างบ้างไปจับไปแตะของที่สกรปรกบ้างถึงเวลาก็ต้องมาชำระร่างกายกันร่างกายจะได้มีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานใจเราก็เหมือนกันใจเราก็ถูกกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆมาคอยคุกเ้่ากับจิตใจของเราทาให้จิตใจของเราไม่มีความสุขกันวันๆอย่างนี้เราไปคุกเข่ากับเรื่องกิเลสตัณหา ตลอดเวลาแล้วทำให้ใจเราเครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้ไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิมานั่งมาภาวนามาทำสมะถะภาวนามาฝึกสติพุทโธพุทโธแล้วพอถึงเวลาเราก็นั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความโลภความโกรธความหลงก็จะหยุดไปชั่วคราว ใจก็จะรู้สึกเบิกบานขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาทันที yeah. อันนี้เป็นการชำระใจแบบชั่วคราวเป็นขั้นที่หนึ่งของการภาวนาเรียกว่าสามัาภาวนาถ้าต้องการชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่างถาวร น, นี้ต้องทำขั้นที่สองคือขั้นวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือการเอาคำสอน เอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนใจให้เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราโลภเราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข เช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายนีมันให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนเราจะกลับมองเห็นว่ามันให้ความสุขกับเราเราจึงหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกัน ทุกวันแล้วเราก็ต้องมาเศร้ามาทุกข์กับสิ่งที่เราหามาได้นั่นแหละเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราหามาได้มันไม่แน่นอนได้มาแล้วมันจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้เราห้ามมันไม่ได้อยู่ดีๆมันหมดไปเพราะมันหมดมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาี่ความเศร้าโศกเสียใจของเราเกิดจากการที่เราไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์ แต่เรากลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขคิดว่ามีเงินมากๆแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่ามีเงินมากมันก็ต้องหมดได้เพราะมีเงินแล้วเก็บไว้เฉยๆได้ที่ไหนมีเงินก็ต้องเอาไปใช้พอใช้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดได้พอหมดแล้วเป็นยังไงเป็นหนี้มีมีหนี้มีสินขึ้นมาเต็มตัว สมัยเด็กๆเราไม่มีเงินทองเราไม่มีหนี้สินทำไมเราอยู่ได้ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วต้องมามีหนี้สินทำไมก็มเพราะว่าพอมีเงินก็เริ่มใช้เงินพอใช้เงินมันก็ติดมันก็จะใช้ไปเรื่อยๆพอเงินไม่พอใช้ก็ไปเป็นหนี้นั่นเองเพราะมันหยุดใช้ไม่ได้พอเราใช้เงินแล้วมันติดพอไม่ได้ใช้เงินแล้วมันหุดหยียดมันไม่มีความสุขเลยต้องใช้เงิน นี่พอไม่มีเงินของตนเองก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้ก็เลยติดหนี้เป็นหนี้ขึ้นมาพอมีหนี้แล้วเป็นยังไงมันสุขหรือทุกข์แล้วทีนี้เออสมัยเราเป็นเด็กๆ เ, เราไม่ต้องใช้เงินเราสบายกว่าไหมให้พ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่มีอะไรให้กินก็กินมีอะไรให้ใช้ก็ใช้เอไม่เดือดร้อนสบายกว่าไม่มีหนี้ไม่มีสินเอ แต่พอเราโตขึ้นหาเงินเองได้พอหาเงินได้ทีนี้ก็ใช้เงินใหญ่นี้ใช้เกินกำลังที่เราหาก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราเห็นว่าเงินทองเป็นของให้ความสุขกับเรา มันกับกายเป็นเงินทองกับกายเป็นตัวทาให้เราทุกข์กันพอมีหนี้มีศินแล้วเทนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วคอยต้องคอยหลบหน้าเจ้านี่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเจ้านี้ก็มาทวงหนี้เดี๋ยวก็ส่งจดหมายมาตามเห็นทีไรก็ใจไม่สบายขึ้นมาทันทีนี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากการคิดว่าการมีเงินมีทองแล้วจะมีความสุขอันนี้ ต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นความจริงว่าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันต้องหมดเพราะว่าเรามักจะใช้เกินกําลังของเราหรือของบางอย่างมันก็ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะไปห้ามไม่ให้มันหมดเช่นได้ตําแหน่งมาเดี๋ยวก็ถูกปลดได้ถูกโยกย้ายได้ถูกเลื่อนนงได้ถูกลดชั้นได้ มีเจริญต้องมีเสื่อมเอของต่างๆในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมลงมาเอพอเสื่อมมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเจริญราบยศสรรเสริญสุข ก, ก็ดีใจกันเวลาเสื่อมราบสรรลาบยศสรรเสริญสุข ก, ก็ทุกข์กันนี่แต่ถ้าเราไม่มา เกี่ยวข้องกั บ, าบลาภยศสเสริญสุขเราก็จะไม่มีวันทุกไปกับมันคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือพวกนักบวชไงนี่ยนักบวชนี่เขาไม่มาห า, าลาภยศเสริญสุขเขามาหาความสุขจากการทําบุญจากการมาปฏิบัติธรรมมาเจริญมาภาวนานี่เองมาเจริญปัญญาให้เห็นว่ า, าลาภยศสเสริญสุขนี้มันเป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่า คนที่ไปคนที่เข้าไปบวชกันจริงๆนี่ก็เห็นว่าลาบยศสารเสริญสุขนี่มันเป็นทุกข์เพราะได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีวันเสื่อมวันหมดไปแล้วก็ห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่ยุ่งกับลาบยศสารเสริญสุขดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าพอบวชก็เลยได้พบกับความสุขแบบที่ไม่มีวันเสื่อมก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบ ความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบแล้วก็เอานำมาเผยแผ่สั่งสอนให้ชาวพุทธเรามาปฏิบัติกันมาภาวนากันมาสามถภาวนามาวิปัสนาภาวนาเร า, า, า, าจะได้ความสุขแบบไม่เสื่อมให้เลือกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพะนี่เป็นการทำบุญเป็นอาหารที่สำคัญที่สุดของใจก็คือการภาวนาแต่ต้องมีการสนับสนุนด้วยศีลด้วยทานถึงจะสามารถที่จะภาวนาได้ศีนก็ต้องเปลี่ยนจากศีนห้าขึ้นมาเป็นศีนแปดศีนห้านี้ไม่มีกำลังพอที่จะมาส่งเสริมพัฒนาการภาวนาได้ต้องมีศีนแปด เมือเวลาขับรถขึ้นเขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเกียร์ต่ำํำถ้าใส่เกียร์สูงนี้ขึ้นไม่มีกําลังสีน้านี้ก็ไม่มีกําลังที่จะส่งให้ใจไปภาวนาได้ต้องใช้ศีลแปดหรือสีนสนะิบหรือศีลสองร้อยี่บเจ็ดถึงจะสามารถส่งจิตให้ไปสู่การภาวนาได้ไปภาวนาสามถะภาวนาวิปัสนาภาวนานี่บุญหลักที่เราควรจะหัด ตอนนี้เราภาวนาไม่เป็นก็หัดทําได้ไม่ต้องไม่ต้องทำแบบมืออาชีพตอนต้นก็หัดทําเป็นแบบมือสมัครเล่นไปก่อนอลองวันละชัว่วโมงลองหัดนั่งสมาธิวันละช่วโมงหัดเจริญสติพุโทโธพุโทพโธเท่าที่เราจะทําได้เมื่อนึกถึงสติก็ นึกถ้าเมือ่อเมื่อมีความระลึกได้ว่าตอนนี้เราไม่มีสติอลไก็ฝึกสติไปเลยวันนี้ไม่ได้พุโทโธเลยเดี๋ยวขอพุโทโธสัหน่อยซิฮะวันนี้คิดแต่เรื่องนั่นเรื่องนี้ตอนนี้ขอหยุดความคิดสัหน่อยก็พุโทโธพุโทโธไปหัดฝึกพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราพุโทโธบ่อยขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีกําลังที่จะมานั่งสมาธิได้นั่งแล้วใจก็จะสงบจะไม่รู้สึกอึดอัดน แต่ถ้าไม่มีสตินี้จะนั่งไม่ได้นั่งแล้วใจฟุง้งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่งแล้วเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาเกิดอาการเครียดขึ้นมาจนทนไม่ไหวจะต้องเลิกนั่งไปในที่สุดเพราะไม่มีสติฉะนั้นก่อนที่จะมานั่งภาวนาได้นี้ต้องมาฝึกสติก่อนต้องมันจเจริญพุโทโธพุโทโธพุทโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอลืมตาขึ้นมาจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดก็หยุดมันดีกว่าใช้พุทโธพุทโธหยุดมันให้ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ต้องดูลมนะตอ น, ตอนที่เราไม่ได้นั่งไม่ต้องดูลมตอนที่เราเตื่นขึ้นมานอนในเตียงลุกขึ้นมาอยากไปทําธุระในห้องน้ําก็พุทโธพุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคุมความคิดหยุดความคิดถ้าเราควบคุมได้เวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่คิดให้มันอยู่กับพุทโธมันก็พุทโธให้มันอยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมถ้ามันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมันก็เข้าสู่ความสงบได้แล้วก็จะได้พบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตถสันติปรังสุขขังสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบต่อให้ได้เงินมาร้อยล้านพันล้านก็สู้ได้ความสงบไปได้ความสุขของความสงบเหนือกว่ามีรสชาติที่เด็ดกว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเกิดจากการฝึกสติอยู่อย่างต่อเนื่อง แล้วก็หาเวลามานั่งสมาธิแทนที่จะไปนั่งดูทีวีดูหนังดูละครดูข่าวดูอะไรมานั่งหลับตาดูพุทโธดีกว่าดูลมหายใจเข้าออกดีกว่าเราจะได้ความสุขที่เด็ดกว่ายอดกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือการภาวนาหัดทำไปเถิดแล้วจิตใจจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปความทุกข์จะน้อยลงไปตามลาดับและหมดไปได้ในที่สุด อันนี้คือบุญหลักข้อที่สามข้อที่สี่ที่เราต้องมีอยู่ก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเราต้องฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเดี๋ยวเราลืมวิธีที่จะปฏิบัติ พอจิตเราจะไปคิดเรื่องของกิเลสตัณหาแทนวิธีหาเงินหาลาบยศสรรเสริญแทนเราจึงต้องคอยมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้มีอะไรคอยเตือนใจเราว่าอย่าไปหาเงินอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญสุขให้มาหาความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะรู้ด้วยว่าวิธีที่จะหาหาอย่างไรวิธีจเจริญสติจเจริญอย่างไรวิธีรักษาศีลรักษาอย่างไรอันนี้ต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรม ต้องฟังเป็นประจำสมัยนี้เราฟังได้ตั้งแต่ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ในมือถือเราแล้วเดี๋ยวนี้กัมธรรมะอยู่ในกา ม, มือของเราแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนชาวบ้านต้องรอวันพระถึงจะได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะสมัยนะั้นไม่มีที่อื่นที่แสดงธรรมอยากจะฟังธรรมต้องไปวัด เบลสมัยนี้มีสื่อเอาธรรมะออกมาจากวัดแล้วเอามาอยู่ในกรำ ม, มือของพวกเราแล้วเอามาอยู่ในหูฟังแล้ ว, ลวเสียหูฟังก็ไปธรรมะก็เข้ามาถึงหูเราแล้วนัว้น mm hmm. เรามีโอกาสมีโชคมากที่เราสามารถเข้าใกล้ชิดถึงธรรมะได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดายดังนั้นเราควรหมันฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ทุกวันอย่างน้อยวันละชั่วโมงก็ยังดีจะได้มีอะไรคอยเตือนใจ แตอย่าฟังทั้งวันจนกระทั่งไม่เอาไปปฏิบัติเการฟังธรรมนี้เพื่อฟังเพื่อให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเพื่อให้ไม่ให้เราหลงลืมวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ต้องหมั่นฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนะครับการฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมะสวนรค์เอตัมมังกัลมุตตมังนะนะการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งสมัยโบราณก็ตามวันพระนี่เอง ตามการตามเวลาก็คือทุกวันพระจะต้องฟังทรรมกันสมัยนี้เรามีมือถือมีธรรมะอยู่ในมือเราละเราต้องฟังมันทุกวันเลยทำวันฟังวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วจะมีสัมมาทิฏฐิคอยคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยว่าเราอย่าทำบาปนะเราต้องทำบุญนะ เราต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะนี่คือประโยชน์สุขที่แท้จริงของเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้อยู่ที่การไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่ไม่ได้อยู่ที่การไปซื้อรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ซื้อคอนโดที่นั่นที่นี่ของพวกนี้ซื้อมาแล้วปวดหัวอย่าไปมีมันดีกว่าเอามา ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาภาวนาดีกว่าอันนี้นี่คือบุญที่เราจะต้องมีเป็นบุญหลักมีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งททานสองรักษาศรรีลสามภาวนาสี่ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องมีบุญหลักนี้เป็นประจำส่วนบุญเสรมิมีห้าข้อนี้ก็ทาไปตามโอกาส วันไหนเราทาบุญใส่บาตรเราก็อุทิศให้กับผู้รงรับไปวันไหนมีใครเขาไปทาบุญแล้วเขามาบอกเราเราก็อนุโมทนาไปเวลาที่เราไปพบปากกับใครก็ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าถือเนื้อถือตัวอย่าถือว่าฉันเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ ถือว่าเราเป็นคนธรรมดาเหมือนกันเกิดมาแก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นคนอ่อนน้อมถม่อมตนล้วจะมีความสุขกว่าคนที่อวดแบงอวดเก่งอวดดีนะ แล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือกันก็ช่วยกันไปออมีไฟไหม้ก็ช่วยกันน้ำท่วมก็ช่วยกันมีใครเดือดร้อนเสียหายที่ตรงไหนพอเราช่วยเหลือกันได้ก็ไปช่วยเหลือกันอันนี้ทำตามเหตุการณ์ไม่ได้ทำเป็นประจำถ้ามีเหตุการณ์ก็ไปทำกันนี่แหละคือเรื่องของการทำบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามากระทากัน พอาทำแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุขเหมือนได้รับประทานอาหารเหมือนได้อาบน้ำอาบท่าได้นอนหลับพักผ่อนร่างกายของเราต้องการอาหารต้องการอาบน้ำอาบท่านอนนอนหลับพักผ่อนเพาเมื th th ่อได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วร่างกายก็จะแข็งแรงมีความสุขใจเราก็เป็นเหมือนร่างกายใจเราก็ต้องมีอาหารมีการนอนหลับพักผ่อนมีการกระทํา ในการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทำบาปแล้วตายไปต้องไปรับผลบาปในอบายทำบุญแล้วตายไปก็จะไปรับผลบาปในผลบุญในสวรรค์ ถ้ากำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ด้วยการภาวนาตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวกเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับจิตใจถ้าไม่ได้อยู่ที่นิพพานแล้วยังจะต้องเจอความทุกข์ทุกมากทุกน้อยเท่านั้นเองที่ต่างกันแต่ยังต้องเจอความทุกข์อยู่เหมือนกับถ้าเราไม่หลบเข้าไปในบ้าน ถ้าอยู่นอกบ้านเดี๋ยวอาจจะโดนฝนโดนอากาศร้อนโดนอากาศหนาวแต่ถ้าเราหลบเข้าไปในบ้านได้ก็จะปลอดภัยนี่พานนี่แหละเป็นบ้านของใจบ้านที่จะปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นมาเลยมีแต่ความสุขเพลงอย่างเดียวเกิดจากการกระทำบุญทั้งสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาทากัน ก็ขอให้ญาตโยมจงนำเอาบุญทั้งสิบประการนี้ไปพิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิทธิ์ต่างปฏิต่างตุวหังคิดเปเมวะสมิจเจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุ สัพพะโรโควินาศสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะาภิวาธนศีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวัฏานติอายุวันุสุขังภาลั วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะจาก f a c e b o o สามร้อยสามสิบห้า s t a g r สองรอยี่สิบเจ็ดอตากรมหนึ่งวิทยุออนไลน์ยี่สิบห้ารับฟังบนเขา5ห้าสิบสามรวมห3ร้อยสามสิบเก้าค่ะอินสตาแกรมแล้ ว, ลวคนเดียวคงไม่ชัดมันคงไม่สะดวกเหมือนทางอื่น ยูทูบในเฟซบ o ๊เนี่ยสะดวกที่สุดเ c e b o o k ยังมาที่หนึ่งอยู่ยังสามร้อยกว่าตามด้วย u ู u ูบสองร้อยกว่า <c oughs> ใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในตอนนี้อยากจะถามอะไร <c oughs> เข้ามาข้างในจะส่งไมโครโฟนให้ <c oughs> อ่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเอาไมโครโฟนพูดพูดผ่านไมโครโฟนน่อ <c oughs> แต่ได้ยินถึงบ้านครับเมื่อกี้พกอาจารย์พูดใกล้ๆหน่อยเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเอบุญกคริยาวัตถุสิทธบแต่ว่ามีบุญหลักอยู่สี่หรือห้านะครับห้าห้ามีทานศีลภาวนาการฟังธรรมการมีความเห็นที่ถูกต้องทิิเออขอบพระคุณครับอถ้ามีความเห็นผิดมันก็ไปผิดทางทันทีอต้องคอยให้มีความเห็นที่ถูกต้องอยู่เรื่อยๆ พอไปคิดว่ารวยดีกว่าทาบุญนี้ก็ผิดล่ะต้องทาบุญดีกว่ารวยอ่ไม่มีใครถามก็เอาทางบ้างอยู่ค่ะคำถามจากไลน์นะคะการทำสมาธิให้ฌานหนึ่งถึงสี่เพราะเป็นสัมมาสมาธิแล้วฌานห้าถึงแปดอรูปฌานเพราะอะไรถึงไม่ควรให้ทำอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายครับ เพราะมันไม่มีประโยชน์สำหรับการเจริญวิปัสสนามันมันมันเท่ากันมีชานสีขึ้นไปนี่มันเท่ากันเพราะมีถึงชานสีมันมีกำลังพอที่จะส่งจิตให้ไปทางวิปัสสนาได้ถ้าไปเข้าทางชานที่ห้าหกนี่มันก็จะเสียเวลามันจะไปติดชานมันจะไม่ไปทางทางวิปัสสนา ต่อไปคําถามจากคุณไม่มีตัวตนขอกราบเรียนถามว่าเพราะธรรมยุตจะสามารถเข้าปริวาฒกรรมร่วมฝ่ายมหานิกายได้ไหมครับอ๋ตามปกติพระแต่ล น, นิกายจะไม่ร่วมทำสังฆกรรมร่วมกันเพราะมีศีลไม่เท่ากันนา น, นานสังวาสก็เรียกการรักษาศีลไม่รักษาเท่ากันก็เลยเถือว่าร่วมทำสังฆกรรมร่วมกันไม่ได้ เหมือนทหารบกกระถานเรือนี่ไปร่วมกินย่อมอยู่ด้วยกันไม่ได้มีกิจกรรมมีภ า, ารกิจต่างกันศีลต่างกันการกระทำต่างกันก็เลยไม่นิยมที่จะไปอยู่ร่วมกันต่างฝ่ายต่างอยู่แต่ไม่รังเกียจกันถ้าต้องไปทำงานที่ไม่เกี่ยวกับสังฆกรรมกิจกรรมของทางสงฆ์ก็ไปได้ ยนมญาติโม ย, ยมนิมนต์พระไปเอาทั้งหมานิกายทั้งธรรมยุทธไปก็ไปได้ในหลวงเวลานิมนต์พระนี่บางทีก็เอาทั้งสองนิกายไปก็ไปได้อนี้ถ้าไม่ได้ทําเรื่องสังฆกรรมเรื่องเรื่องกิจกรรมของสงฆ์โดยตรงนี่ถ้าเป็นกิจกรรมของทางคารวะญาติโยมนี้ไปร่วมทํากันได้เชิญเข้ามาได้ เดิเข้ามาก็ได้หรอกท่านอเอาไว้ตรงนี้จะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่มีใครคิดว่าจะต้องมาแก่แบบนี้กันนะพ <c oughs> อถึงเวลามันก็เป็นไปห้ามมันไม่ได้ยังตอนนี้ยังไม่แก่ยังรีบเตรียมตัวไว้รีบสร้างกำลังใจขึ้นมาสร้างบุญขึ้นมาแล้วบุญนี้จะ จะช่วยเราในยามยากยามแก่ได้ใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ลำบากถ้าไม่สร้างเลยไม่สร้างบุญเลยพอถึงเวลาแก่มันไม่เหมือนกับจะไม่มีไม้ท้ามาคอยช่วยพยุงจิตใจจิตใจมันจะอ่อนยบเยื้บไปกับร่างกายด้วยข้อต่อไปคำถามจากคุณธรรมนูญกายคตาสติ กับกายานุปัสสนาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับกายานุปัสสนากายกตาสติกายกตาสติก็เป็นกรรมฐานเป็นการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติที่เราอยากจะสร้างสติขึ้นมามีหลายวิธีด้วยกันจะใช้พุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติ ใช้ร่างกายก็เรียกว่ากายยักตาสติเช่นเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทาอะไรอยู่กำลังเดินกำลังยืนกาลังกินกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับร่างกายเรียกว่ากายยักตาสติถ้าใช้พุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติส่วนกายานุปัสสนานี้เป็นการเจริญปัญญาเกี่ยวกับทางเรื่องของร่างกายพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกาย ว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายเช่นดูอาการสามสบสองพิจารณาว่าร่างกายเป็นอนัตตาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟพิจารณาที่มาที่ไปของร่างกายว่ามาจากอะไรแล้วเวลาตายไปกลับไปสู่อะไรก็จะเห็นว่ามาจากดินน้ำลมไฟนี่เองอาหารที่กินเข้าไปก็ดินเป็นส่วนใหญ่ น้ำที่ดื่มเข้าไปก็เป็นธาตุน้ําลมที่หายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมความร้อนที่ได้จากแสงอาทิตย์ก็เป็นธาตุไฟพอมารวมตัวกันก็เลยทําให้เกิดอาการสามสิบสองขึ้นมาเกิดผมขนเล็บฟันต่างๆขึ้นมาพอร่างกายหยุดหายใจอาการธาตุทั้งสีก็แยกทางกันธาตุไฟก็ออกจากร่างกายไปร่างกายคนตายนี้จะเย็นกว่าร่างกายคนเป็นเพราะธาตุไฟไม่มีแล้ว แล้วเราต่อไปทิ้งไว้เดี๋ยวก็ขึ้นอืดพองแล้วก็มีน้ําเหลืองน้ําอะไรต่างๆไหลออกมาทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปมันก็แห้งแห้งกลายเป็นโครงกระดูกไปเหลือแต่โครงกระดูกกลายเป็นฝุ่นไปธาตุน้ําก็แยกออกไปธาตุไฟก็ออกไปธาตุลมก็แยกออกไปเหลือแต่ธาตุดินนี่คือการพิจารณาเรียกกายานุ ป, ปัสสนา เิดพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายเพื่อให้เราให้จิตใจที่หลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราให้ปล่อยวางจะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นเราเราจะไม่ทุกข์เลยแต่เราไปคิดว่ามันเป็นเราเราเลยทุกข์เวลามันเป็นอะไรไปร่างกายของคนอื่นนี้เรารู้ว่าไม่ได้เป็นเราเขาเป็นอะไรเราไม่ทุกข์เลยใช่ไหอ ฉันใดเราต้องมาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นเรามันเป็นเพียงดินน้ําลมไฟเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่สวยไม่งามจะได้ไม่ไปหลงรักไขจะได้ไม่ต้องใยมีแฟนมีครอบครัวนี่คือกายานุ ป, ปัสสนาข้อต่อไป ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนตัวเลขนิดหนึ่งค่ะหลวงพ่อไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งค่ะไม่ได้เอาเป็นเอาตายกันมาค่ะเลยถ้าจะสบายใจอย่างจะแจ้งก็แจ้งไม่ถึงหกร้อยใช่ไหมถึงค่ะหก7้อยสี่สิบเจ็ดค่ะเลยอยากแจ้งเกินเพิ่มขึ้นอีกน่ะเพิ่มตรงไหนล่ะไอจีไอจีจากหนึ่งมาเป็นเท่าไหร่ เราดูยอดสุดท้ายใช่ไหมเราไม่ได้อยู่ดูยอดที่เข้าเข้าเข้าออกอ่ะไม่เป็นไรคุณนั่ฟังบนเขาหกสิบเอ็ดค่ะหกสิบเอ็ดด้ค่ะ<อ>คำถามต่อไปค่ะจากคุณโมนายโจะหาวิธีรับมือคนแกจ่จู้จี้จุกจิกที่บ่นได้อย่างไรคะก็มองว่าเหมือนเด็กไงคนแก่นี่ก็กลับไปเป็นเหมือนเด็ก เด็กมันจู้จี้จุกจิกยิ่งกว่าคนคนแก่เราไม่ถือสามันเนี่ยมันจะขี้จะเยี่ยวเมื่อไหร่มันจะร้องขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ร้องได้เราก็ไม่ไปโกรธมันเราก็โอ้มันโอ้ไม่เป็นไรหนูหนูอย่างนู้นอย่างนี้เอคนแก่ก็เหมือนกันแหละคนแก่ก็เริ่มกลั บ, ลบไปเป็นเด็กเห็นไหมเมื่อก่อนออกมาก็คานออกมาเวลาจะแก่ก็คานต่อไปก็กลับไปเหมือนเด็กอ่ะใช่ดังนั้นอย่าไปถือสียคนแก่เอถือว่าเป็นเหมือนเด็กทารก ต้องเอาใจยุจ่ยจี้จุกจิกเอาใจยากต้องคิดถึงเวลาที่เขาเอาใจเราบ้างเวลาที่เราเป็นเด็กนนั้เขาต้องมาเลี้ยงดูเราเนี่ยเราอยากจะร้องขึ้นมาดึกดึกดินเดินก็ร้องขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะพ่อแม่นอนหลับก็ต้องตื่นขึ้นมาดูว่ามันเป็นอะไรมาใช่หไหมอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้พ่อแม่เราก็เป็นเหมือนเด็กเราเป็นเหมือนผู้ใหญ่แล้วต้องกลับทดแทนบุญคุณท่าน ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขนะคิดว่าคิดถึงบุญคุณของพ่อแม่ที่ท่านทํามากับเราก่อนอเชิญเดี๋ยวพูดใกล้ๆปากหน่อยนะหมคยควนมมันไม่ค่อยไวการนมัสการครับพระอาจารย์ครั บ, รรบที่พระอาจารย์แสดงธรรมเมื่อสักครู่นี้บอกว่าการเจริญพุทโธก็คือบริกรรมพุทโธไว้ในใจคือการเจริญ สมถะอย่างหนึ่งใช่ไหมครับอ่เป็นคำเป็นสมถมะภาวนาครับผมแล้วขอญาตอยากทราบว่าแล้วเราจ ะ, จะเจริญนิพพสนาต่ออย่างไรแล้วตอนไหนถึงขณะไหนเราถึงจะต้องอไปสู่วิปัสนาได้ครับพระเจ้าก็สมถะก็เหมือนเรียนระดับมัธยมครับผมให้จบมัธยมก่อนแล้วค่อยไปเอนทานเข้ามาหาอะไรถึงจะไปเรียนขั้นวิปัสนาต่อได้ครับเนีย่ยต้องผ่านขั้นสมถะให้ได้ก่อน ให้ชํานาญเข้าสมาธิเข้าออกได้ทุกเวลาที่เราต้องการก่อนแต่ไมะนั้นก็ไปไม่ได้ไปก็ไม่มีกําลังที่จะไปใช้ความรู้ที่เราได้จากวิปัสสนามันไม่พอมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันไม่มีกําลังที่จะไปทําลายกิเลสตัณหาได้ครับคือคือสงสัยว่า เ, เราจะต้องเราจะรู้ได้ไงว่าเรา จุดที่จะต้องไปสูยปัฒนาแล้วอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เราเข้าฌานได้ทุกเวลาก่อนเนี่ยโอถ้ายังยังยั ง, ย ง, เยงเข้าเข้าออกไม่ได้ก็ต้องหัดเข้าให้มันชํานาญก่อนก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องบริกา ร, รพุโทโธไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นั่งให้จิตรวมสงบเข้าฌานให้ได้ก่อนอ๋อแล้วต้องการเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้ครับแล้วที่จะต้องไปพิจารณากายนี้ ก็ตอนปรัชนาใช่ไหมต้องตอนออกมาจากการออกออกมาจากชานก่อนอขณะอยู่ในชานนี้ต้องการพักต้องการเติมเติมน้ํามันให้กับจิตเติมพลังให้กับจิตครับผมเหมือนกับการชาร์จแบตเวลาชาร์จแบตนี่เราไม่ค่อยใช้มือถือกันใช่ไหมเราชาร์จให้มันเต็มเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้งานได้จิตเราก็เป็นเหมือนเครื่องมือถือเนี่ยต้องมีแบตเตอรี่ต้องชาร์จแบตก่อนสมาธิคือแบตของของใจ ถ้าแบตไม่เต็มนั้นใช้งานไม่ได้เนั้นต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนซื้อเครื่องใหม่มาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือชาร์จแบตก่อนใช่ไหมพอมันบอกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้ก็เอาไปเปิดเล่นอะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้ฟังอะไรก็ได้เดี๋ยวมันหมดก็ต้องกลับมาชาร์จใหม่ออกไปทางปัญญาเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเข้าชาร์จแบตเตอรี่ใหม่สมถะกับวิปัสสนามันจะสลับทํางานกัน แต่ถ้ายังไม่มีสมถะก็ไปทางวิปัสสนาไม่ได้ยังไม่ได้ชาร์จแบบไม่มีพลังที่จะไปยันตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญาเท่าไหร่ปัญญาเราก็มีเยอะแยะแล้วแต่เอามาฆ่ากิเลสไม่ได้รู้ว่าอบา ย, ยมุขไม่ดีก็ยังเลิกไม่ได้รู้ว่าทารักษาศีหน้าเราจะไปอบายทาบาปเราจะไปอบายก็ยังยังยังยังทาบาปกันอยู่ แต่ถ้ามีกําลังมีสมาธิแล้วมันจะไม่ทําทันทีถ้ามันรู้ว่าทําบาปได้จะต้องไปอบายไม่ไม่ทําดีกว่าอาจารย์ครับแล้ววิปัสสนาที่ว่าพิจนารนะนี่ครับพิจารณาหมายถึงพิจารณากายใช่ไหมครับหลยอย่างที่ใจยังติดอยู่มีกายเวทนามีจิตเนี่ยที่ใจยังมาติดอยู่ติดกับร่างกายติดกับเวทนาติดกับอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตเนี่ยต้องปล่อยวาง ต้องไม่ไปทุกข์กับมันนี่ไม่มีกําลังปล่อยไงไม่มีสมาถะไม่มีสมา ธ, ามมมาธิรู้ว่าต้องปล่อยแต่ปล่อยไม่ได้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟแต่ก็ยังยึดติดอยู่ยังถือว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ยังปล่อยไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วปล่อยได้ครับผมแต่ถ้าเรา บริการพุดโธไปอาจจะประมาณสักห้านาทีสิบวนทีแล้วเราพิจารณากายไปด้วยอย่างนี้จะผิดหลักไหมครับพรอาจารย์ครับมันข้ามขั้นตอนเนี่ยมันไม่ชาร์จแบตชาร์จแบตห้านาทีก็เอาไปเปิดเครื่องใช้แล้ว <c oughs> ใช้ได้เดี๋ยวเดียวก็หมดกําลังอืมครับไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรจะทําอย่างนั้นใช่ไหมไม่ควรถ้าพูดตามหลักของการปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนก็ต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนต้องเข้าชาร์จให้ได้ก่อนแล้วออกจากชาร์จแล้วค่อยมาพิจารณา ทางปัญญาต่ออาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราเข้าฌานได้แล้วอย่างนี้ครับทําไมไม่รู้อ่ะเวลาฌานมันสงบกับไม่สงบไงเวลาจิตสงบกับจิตไม่สงบทําไมเราจะไม่รู้ไม่รู้เราไม่เคยเจอความสงบเราก็เลยไม่รู้ว่าเราโอ๋เหรอครับถ้าเราเจอเราก็จะรู้อ๋อนี่มันสงบเป็นอย่างนี้อย่ขออภัยงั้นถ้ายังไม่มีความสงบไม่มีสมาธิอย่าเพิ่งไปทางวิปัสสนา ไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะไปก็ไปไม่ได้นานไปเดี๋ยวเดียวก็หมดกำลังพิจารณาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไปคิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงนู่นคิดถึงนี่ต่อพระชาจาครับแล้วระหว่างที่บริกรมรมพุทโธไปนะครับรู้สึกว่าเหมือนจิตจะ จะคอยคิดแวบไปแวบมาอะไรเงี้ยก็สติเราจะทำยังไงให้ให้อยู่กับก็ดึงกลับมาเรื่อยๆดึงกลับมาใหม่ๆมันก็ดึงกันไปดึงกันมาแล้วต้องเอาบริกรรมพุทโธไว้ตรงบริเวณไหนครับมีมในตรงที่คําบริกรรมไม่ต้องมีบริเวรไม่ต้องว่าอยู่ตรงอกตรงหัวอะไรอย่อยู่ที่คําบริกรรมให้สติอยู่กับ คำบริกรรมที่เราเลือกอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราใช้คำบริกรรมก็ต้องใช้คำบริกรรมถ้าใช้ลมก็ดูที่ปลายจมูกมันแล้วแต่ว่าเราใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่แล้วแต่เราเวลาเราจะร่างสติในในสภาพไหนถ้าดูลมนี้มันจะเหมาะเฉพาะเวลานั่งเวลาที่เราเคลื่อนไหวนี่มันดูยากเอาพุทโธมันง่ายกว่าอ๋อก็แสดงว่า เราสามารถที่จะทําสลับกันได้ทั้งบริกรรมพุโทโธหรือดูลมดูล ม, มดูล่างกายก็ได้ดูตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่ครับผมกําลังเดินก็เดินไปกับร่างกายอย่าไปที่อื่นครับกําลังขับรถก็อยู่กับการขับรถอย่าไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นคนนี้ครับให้หยุดความคิดเป้าหมายของการจเจริญสติแม่ใ้ใจไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน แล้วใจจะนิ่งเขาใจไหมใจจะนิ่งต่อเมื่อมันอยู่เฉยเฉยมันรู้เฉยเฉยที่มันไม่นิ่งเพราะมันคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็อยากให้เกิดให้อย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ไปแล้วก็พออยากก็ต้องไปทําตามความอยากมันก็มีการกระทําอยู่ตลอดเวลาใจเลยไม่มีความสงบสักที ถึงบอกว่าคนที่จะมาเจริญความสงบภาวนาได้นี่ต้องเป็นคนที่ว่างจากภารกิจการงานต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเนี่ยไปบวชเนี่ยถ้าไม่เช่นนั้นก็ยังถือว่าไม่ได้ทําแบบมืออาชีพทําแบบมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นจะไปแข่งกับมืออาชีพไม่ได้หรอกออมืออาชีพก็แข่งเหรียญทองโอลิมปิกกันมือสมัครเล่นก็พอทําไปพอหอมปากหอมคอ คือด้วยด้วยความที่เป็นฆราวาสมีหน้าที่การงานเอ่อการที่จะภาวนาให้จิตสงบอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเข้าชานได้นี้ผมยังมองไม่เห็นลูทางผมเลยครับก็ <c oughs> วันวันนี้ข้อแนะนําอย่างไรไหมมี <c oughs> เอาวันหยุดไงวันที่เรา <c oughs> ไม่ทํางานไงวันที่เราหยุดทํางานเราก็ขอตัวไปอยู่วัดสักสองสามวันเสาร์อาทิตย์หยุดทํางานก็ไปอยู่วัดแล้วเราไปฝึกก่อนครับ <c oughs> ที่นี่ขอญาตที่นี่พระอาจารย์ให้โอกาสบ้างไหมครับที่นี่ก็แล้วแต่ว่าคนที่มานี่อทำได้หรือไม่ได้แล้วก็มีที่ว่างหรือไม่ว่างส่วนใหญ่มันก็จะเต็มเพราะที่มีไม่มากครับแต่ที่ข้างล่างเขามีที่ให้อยู่ได้ที่วัดยานี้จะมีที่ให้อยู่สําหรับผู้เริ่มต้นก็อยู่ที่ข้างล่างก่อนจะจะง่ายกว่าเพราะข้างบนนี่มันเป็นขั้นโหดหน่อยไฟฟ้าก็ไม่มีน้ําประปาก็ไม่มี อาหารการกินจะกินก็ต้องเดินลงไปข้างล่างถ้าอยู่ข้างล่างมันมันสะดวกทุกอย่างาน้ำนํำใสแล้วก็มีที่สงบพอที่เราจะสามารถฝึกในเริ่มระยะเริ่มต้นนี้อยู่ข้างล่างไปก่อนครับแต่ถ้าเรา ค, รคิดว่าเราเข้าฌานได้แล้วเราต้องการความสงบนี้ถึงจะขึ้นมาบนนี้กันพวกที่ขึ้นมาในส่วนใหญ่เขาเข้าฌานกันยังไงเขาขอขอบคุณพระอาจารย์มากครับ เราต้องเริ่มต้นด้วยการหาเวลาว่างเนี่ยมาทำถ้าเราทำได้แล้วพอได้ผลแล้วมันจะมีกำลังใจที่อยากจะทำมากขึ้นแล้วมันก็จะหาวิธีตัดภาร ะ, ะต่างๆให้มันหมดไปได้นี่ใครอยากจะถามไหมทั้งนี้ไม่มีนะอ่าต่อค่ะ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการทำบุญชําระนี่สงหรือการทำบุญค่าน้ำค่าไฟเราสามารถเอาเงินนี้ไปมอบให้ไวายาวัจกรที่วัดเลยโดยไม่ได้กราบเรียนพระสงฆ์หรือเจ้าอาวาสโดยตรงแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะหรือควรถวายแก่พระสงฆ์หรือเจ้าอาวาสโดยตรงเจ้าคะแล้วค่อยนาเงินไปให้วา วั ย, ยาวัจกรได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่จะส ะ, ะ, สะดวกถ้าเรามั่นใจว่าวัยาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ถ้าวัยาเป็นคนห้าสิบห้าสิบก็เดี๋ยววัดครึ่งหนึ่งวั ย, ยาครึ่งหนึ <c> ่ง <oughs> ก็ต้องดูที่วัยยานี่เขามีสำนัก ง, งานดูแลเรื่องรายได้ของวัดจะบริจาคที่สำนัก ง, งานก็ได้จะใส่ตู้บริจาค ก, ก็ได้จะถวายให้กับพระสงฆ์แล้วท่านเอาไปส่งไปมอบให้กับเขาก็ได้ แล้วแต่จะสะดวกคำถามจากคุณมนคนใหม่ขอความเมตตาถามถึงพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนท่านเสียปฏิบัติอยู่ในศีลและปฏิเสธการรักษาหยุดการหายใจไปด้วยอาการสงบวันพรุ่งนี้กำหนดทำบุญร้อยวันให้ท่านแม่อยากเก็บอธิของท่านไว้ส่วนหนึ่งไปลอยอังคารไม่ลอยอังคารไปทั้งหมด ขอความเมตตาชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยครับคือเรื่องเรื่องอัติเรื่องสิ่งที่เหลือนี้จะเก็บไว้ไม่เก็บไว้ไม่มีผลแตกต่างกันจะเก็บไว้ก็ได้จะไปรออังคารหมดก็ได้อย่างแม่ของน้องตามหมาบัวท่านก็ไปโปรยทิคนต้นโพถวายเป็นปุ๋ยถวายให้กับพระพุทธเจ้าไป อันนี้ก็ได้ได้ประโยชน์เพราะว่าไปลไปไปอยไปลอยแองคานก็ทําให้ทะเลโสกโปกและเทอะทะเปล่าซึ่งเอาไปทําเป็นปุ๋ยดีกว่าเพราะมันมาจากดินมาจากปุ๋ยเนี่ยร่างกายมันมาจากไหนใช่ไหมข้าวที่เรากินมันเนี่ยมันเข้ามามันก็มาจากดินอย่งนั้นเราก็คืนจะคืนดินไปไปทําให้ดินมันมีปุ๋ยจะได้ปลูกข้าวคนอื่นกินต่ออันนี้ท่านหลวงตานีท่านคิดอะไรนั่นคิดด้วยเหตุด้วยผล ท่านไม่ได้คิดด้วยความเชื่อแบบที่เราเชื่อกันท่านเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุดินเท่านั้นเองส่วนที่เหลืออังคารที่เหลือขี้เถ้าเศษกระดูกนี้เป็นแค่ธาตุดินก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยดีกว่ า, าไปโรยพอดีในวัดมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งท่านก็เลยให้เอาไปเอาไปโรยเป็นปุ๋ยอยู่ที่โคนต้นโพน่ะแล้วร่างกายแม่จะได้กลายเป็นใบโพลต่อไป คำถามจากคุณอภิรัตการทำบุญโดยการถวายเงินฝากบุคคลอื่นไปจะได้บุญไหมครับได้ถึงแม้ว่าเงินนั้นอาจจะไ ป, ไปไม่ถึงที่เราฝากไปก็ได้แต่ถ้าเราให้แล้วเราไม่มีความใจมีความอะไรผูกพันกับเงินก้อนนั้นถือว่าเป็นเงินที่เราเสียสละแล้วมันจะไปถึงไม่ถึงนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรเราได้บุญแเพราะบุญเกิดจากการเสียสละเงินทองที่เป็นของเรา ส่วนประโยชน์จะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่คนที่รับไปว่าเขาจะไปทําตามที่เราบอกหรือไม่คําถามจากคุณชรินทิปกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหลังจากที่เรานั่งสมาธิภาวนาก่อนจะคลายจากสมาธิเราแผ่เมตตาให้สรรพสิ่งทั้งหลายและญาติผู้ล่วงลับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับหรือไม่เจ้าค่ะหรือ สิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่รอบตัวเราเขาจะรับไปแทนเจ้าคะ อ, อ๋อแผ่เมตตาไม่ได้รับหรอกเพราะมันเราไม่ได้แผ่การแผ่ต้องมีผู้รับถ้าไม่มีผู้รับแล้วไม่มีอะไรจะให้เขารับมันก็ไม่ได้แผ่การแผ่เมตตาคือการให้ความสุขกับผู้อื่น ต้องแผ่ต่อหน้ากันต้องเจอกันเช่นเจอกันมีขนมมาฝากนี่ให้เขาพี่ไปเที่ยวมาไปซื้อขนมมาให้เขาแล้วเขาก็ยิ้มแป้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรักเราชอบเราเป็นมิตรกับเราไม่ใช่นั่งสวดสับเพสัตตาไม่รู้ใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าเราสวดอะไรไม่ได้หรอกอันนั้นเป็นการสวดการสวดไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องเป็นการกระทํา ต้องกระทำด้วยกายวาจาใจพร้อมๆกันเจอใครก็ถ้าอยากให้เขามีความสุขก็ให้ของขวัญเขาวันเกิดเราซื้อของขวัญไปให้เขาใช่ไหมนั่นแหละแผ่เมตตาปีใหม่เราส่งสอข้สอเนี่ยก็แผ่เมตตาไม่ใช่นั่งคิดในใจขอแผ่ให้คุณนู้นคนนี้เขาไม่รู้เรื่อง เ, อเราแผ่ให้เขาใช่ไหมอย่างญาติโยมแผ่ให้เราเราก็ไม่รู้หรอกทำไมมาบอกเรา แต่บอกเฉยๆมันก็ยังไม่ได้แผ่มันก็แผ่แค่แค่คำพูดแต่จะแผ่ไม่ต้องแผ่ทำให้คนรับได้รับประโยชน์เขาถึงจะมีความสุขถ้าแผ่แบบเขาไม่ได้รับประโยชน์มันก็ไม่มีความสุขเพราะฉนั้นเวลาแผ่ต้องแผ่ให้ให้คนรับได้รับแล้วให้เขามีความสุขจากการแผ่ของเราเช่นถ้าเราโกรธเขาอาฆาตพยาบาทเขาฟ้องร้องเขาอยู่ขึ้นลงขึ้นศาลอยู่แล้วก็บอกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ฟ้องแล้ว อย่างนี้แหละเรียกว่าแผ่เมตตาคือไม่จองเวนจองกรรมกันละจบอโหสิกรรมนี่คือการแผ่เมตตาสัพเพสัตตาเอาเวลาโหนตุขอให้เรายงอยามีเวนมีกรรมกันเล ย, ยนต้องทำด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยการสวดพวกเราชอบแผ่แบบสวดกันเพราะมันง่ายใช่ไหม ไม่ขาดทุนแต่ถ้าแพรแบบการกระทำนี้มันยากเพราะต้องเสียเสียสละเสียผลประโยชน์คำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะพอดีตอนนี้พ่อกับแม่ทะเลาะกันอยากจะอย่าร้างกันตอนนี้เป็นคู่ชีวิตที่เหมือนคู่กรรมขาดจาคะต่อกัน เราควรแนะนําท่านด้วยหลักธรรมอย่างไรดีคะเ อ, อเราไม่ต้องไปยุนะ่งน่ะถ้าเขาไม่มาถามเราเราเป็นลูกเขาเป็นพ่อแม่เขาเลี้ยงเรามาเขาสอนเราเฉะนั้นถ้าเขาไม่มาขอคาแนะนําจากเราก็อย่าไปยุ่งปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาคําถามจากคุณอภิรตาธุรกิจล้มละลาย เคยไปอยู่วัดมาหนึ่งปีอยู่วัดก็ต้องมีปัจจัยเลยไม่รู้จะทำอย่างไรอยากตายก็ไม่ได้ตอนแรกๆมีเงินใช้จ่ายสบายพอเงินหมดทีนี้เครียดแล้วค่ะจะไปทำงานดูแลผู้ป่วยก็ทำไม่เป็นจะทำอย่างไรเจ้าคะก็ไปบวชไปอยู่วัดที่ไม่ต้องใช้เงินทองวัดมีเยอะแยะที่เขาไม่ต้องให้เราใช้เงินทอง แต่เราก็ต้องอยู่แล้วก็เราก็ต้องทำตัวเราให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปอยู่กินอย่างเดียวอยู่ที่นั่นเขาทำอะไรก็ช่วยเขาทำไปทำงานทำการตามการตามเวลาเวลาว่างเราก็ไปไหว้พระสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมของเราเวลาที่มีกิจกรรมต้องทำร่วมการก็ามาช่วยกันไปช่วยในโรงครัวไปช่วยกันล้างถ้วยล้างชามแต่ถ้าอยากจะอยู่แบบคุณหญิงคุณนายมันก็ต้องมีเงินทอง ถ้าอยู่แบบแจ๋วไม่ต้องมีเงินทอง <laughs> คาถามจากคุณจตุพรกราบนมัสการถามพระอาจารย์ว่าหากเรานั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบดีแล้วเมื่อถึงเวลาที่อยากถอดจิตออกมาแต่จิตไม่ยอมให้ถอนต้องทำอย่างไรเจ้าคะหากฝืนถอนออกมาจะเป็นอันตรายต่อการฝึกสมาธิของเราหรือไม่เจ้าคะ ถ้ามันยังไม่ยอมถอนก็ให้มันอยู่ของมันต่อไปมันดีจะตายไปถอนมม่ออกมาทำไมถ้าถอนมันแล้วต่อไปมันอาจจะไม่ยอมเข้าเห็านอย่าไปถอนมันกำลังมีความสุขมันกำลังชาร์จแบตอยู่ให้มันชาร์จของมันให้เต็มที่เดี๋ยวพอะบตเต็มแล้วมันก็จะถอนออกมาเองถ้ามันยังไม่ถอนก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นไป พอถ้าไปดึงมันออกอ่ะเดี๋ยวต่อไปมันเวลาเข้ามันจะออกมาพอเข้าปุ๊บมันก็จะออกมาเลยพอเราไปดึงมันออกมาอย่าอย่าไปดึงมันถ้ามันยังสงบอยู่ก็ปล่อยมันสงบต่อไปไม่เสียหายทางไหนมีคุณค่ามีประโยชน์ถึงแม้เราจะเสียงานภายนอกบ้างก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยงานภายนอกไม่มีคุณค่าเหมือนกับความสงบอย่างเรื่องเราจะสละเงินล้านมาเอาเงินพันใช่ไหม ความสงบนี้เหมือนเงินล้านออกมาทำกิจที่เราต้องทำเหมือนได้เงินพันเงี้เสียเงินพันดีกว่าเก็บเงินล้านไว้ดีกว่าคุณดิิราตาถามเพิ่มนะคะจะทำอย่างไรให้จิตไม่คิดเรื่องเดิมๆหยุดคิดเลย พุทโธพุทโธไงให้ฝึกสติพอคิดเรื่องเดิมๆก็ขัดคิดพุทโธพุทโธนะพุทโธก็เรื่องเดิมๆแต่เรื่องเดิมๆแบบไม่มีไม่มีโทษพุทโธนี่มีคุณเพราะจะทําให้จิตสงบจิตสบายจิตว่างพอคิดเรื่องซ้ำๆเดิมๆก็พุทโธไปถ้าไม่ชอบพุทโธก็สวดมนต์ไปให้จิตมีอะไรคิดอย่าไปคิดในเรื่องเดิมๆคิดคิดอิติปิโสปะกวาอาลังสัมมาสวด ส่วนอีทีพิวรยจบเดี๋ยวก็ลืมในทุกครั้งมันจะคิดก็ลงโทษมันแบบนี้ไปต่อไปมันก็เข็ดมันก็ไม่กล้าคิดเองคําถามจากคุณนภะพัฒกรรมที่คิดไม่ดีคิดร้ายคิดอิจฉาริษยาและวางแผนจะทําร้ายทําลายเป็นกรรมหนักและกรรมหนักแค่ไหนเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าไปทํำบาปหนักแบบไหนอย่าง พระเทวทัตก็ไปคิดฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งก็เป็นกรรมที่หนักมากเป็นอนันตาริยกรรมถึงแม้ไม่ได้ฆ่าพระพุทธเจ้าเพียงแต่ทำให้พระบาทพ่อเลือดนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมหนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้สงฆ์แตกแยกนี่คือบาปหนักมีอยู่ห้าข้อ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดแล้วทำให้สงเกิดการแตกแยกอันนี้อย่าไปทำโดยเด็ดขาดถ้าไม่อยากจะไปรับผลหนักที่สุดของบาปกรรมคำถามจากคุณอีซี่จิตในทางพุทธศาสนานี้เป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราครับจิตมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดเราขึ้นมา ตัวเราเกิดจากจิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดว่าเป็นเราเิดว่าเป็นของเราแต่ความจริงมันเป็นเพียงความคิดแต่จิตก็ไปหลงเชื่อความคิดของตัวเองเหมือนสมัยก่อนคนคิดว่าโลกแบนก็ไปเชื่อว่าเป็นโลกแบนจริงเป็นความคิดแต่ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงจิตคือตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเองคำถามจากคุณปอมแปม เราจะทำใจอย่างไรดีกับอดีตสามีที่ทิ้งเราไปแล้วแต่ยังต้องทำงานร่วมกันตลอดเวลาเจ้าคะเห็นหน้าเขาเราก็รู้สึกเสียใจอยู่ตลอดเจ้าค่ะก็นึกถึงตอนที่ไม่ได้เป็นแฟนกันเลตอนที่ก่อนจะแต่งงานกันก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันธรรมดาเมื่อยังต้องอยู่ร่วมกันก็คิว่าเป็นเพื่อนทำงานร่วมกันก็แล้วกันมองเพื่อนคนทางานคนอื่น แล้วก็คิดว่าก็เป็นแค่เพื่อนทางานท่านั่นเองอดีตที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วมันเป็นคนละยุคคนละสมัยแล้วเป็นคนละเรื่องถ้าเป็นละครก็เปลี่ยนเรื่องแล้วเรื่องที่แล้วเราเล่นเป็นสามีภรรยากันตอนนี้เราเล่นเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเพื่อนเป็นเพื่อนทำงานกันก็เล่นบทใหม่อย่าไปคิดถึงบทเก่าคำถามจากคุณธนา การที่บางสำนักเขาปฏิบัติให้ไปภาวนาในกรงงูและเข้าไปนั่งกับศพในป่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกทางไหมเจ้าคะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้จิตต่อสู้กับภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นคือถ้าไปนั่งเฉยๆนี่สัตว์ก็ไม่ทำร้ายเราหรอก สัสตว์เขาจะทำร้ายเราต่อเมื่อเราทำให้เขาตกใจทำให้เรียกว่าเขาคิดว่าเราเป็นเป็นภัยอันตรายต่อเขาฉะนั้นถ้าถ้าไปนั่งแล้วมันไม่ได้ทาอันตรายต่อผู้ไปนั่งก็เป็นการวิธีฝึกใจให้เข้มแข็งคำถามจากคุณสิริปริยาเราจะสามารถฝึกชาญได้ยังไงคะเอาแบบอยากได้ชั้นหนึ่งเลยคะ่ะ ก็ให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องไงต้องให้พุโทโธไปทั้งวันอย่าไปคิดอะไรแล้วก็ต้องไปอยู่คนเดียวอยู่ที่เงียบๆอย่าไปยุ่งกับใครอย่าไปเปิดมือถืออย่าไปทำอะไรทั้งนั้นนอกจากกิจที่จำเป็นจริงๆเช่นการเลี้ยงดูร่างกายการดูแลความสะอาดของสถานที่เราอยู่นอกนั้นก็ให้มาฝึกสติมานั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็ได้ชาญชั้นหนึ่ง คำถามจากคุณวสันต์ค่ะการภาวนาให้ใช้คำบริกรรมเช่นพุโทโธอย่างเดียวหรือดูลมหายใจอย่างเดียวเพื่อให้จิตยึดสิ่งเดียวแต่บ่อยครั้งที่จะได้ยินผู้สอนภาวนาจะสอนให้บริกรรมพุโทโธด้วยลมหายใจเช่นให้หายใจเข้าท่องพุทธหายใจออกท่องโรแบบนี้เหมือนกำหนดสองอย่างแท้จริงควรกาหนดเพียงอารมณ์เดียวใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่กรณีนี่ การที่จะดูลมนี้ต้องอยู่ในท่านั่งท่านั่งสมาธิถึงจะดูลมได้อย่างสบายถ้าไม่ได้นั่งกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำอะไรอยู่นี่ก็ให้ดูร่างกายแทนดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ถ้าดูแล้มันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้พุทโธดึงใช้พุทโธดึงกลับมาให้มาอยู่ที่ร่างกาย ถ้าเวลานั่งสมาธิถ้าดูลมแล้วมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะเอาพุทธโธมาบวกกับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้อันนี้แล้วแต่กรณีของแต่ละคนบางคนนั่งแล้วไม่คิดอะไรก็ดูลมไปอย่างเดียวบางคนไม่ชอบดูลมชอบบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวก็พุทธโธไปอย่างเดียวเห็นมั้นแล้วแต่กรณีวิธีนั่งสมาธินี้มีหลากหลายมาก วิธีที่ได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกก็มีต้งสี่สิบวิธีเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบแล้วนอกจากนั้นยังมีแปลกแยกออกมาจากผู้ปฏิบัติแต่ละคนที่จะเอามาปรับปรุงกันใช้ให้กับตนเองซึ่งอาจจะมีมากมายกายกองที่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้บางสำนักเขาก็สอนให้ดูดูนิ้วก็ได้ใช่ไขยับนิ้วไปขยับนิ้วมาอันนี้ก็เป็นการฝึกสติอีกอย่าง เห็นแล้วแต่การเราฟังอะไรเราต้องฟังให้มันรอบครอบฟังให้มันเข้าใจว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรตอนไหนอย่างไรบางทีเราฟังเรื่องนี้แล้วก็เอาไปเอาไปครอบคลองกับเรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นไปแบบเอาแพะไปชนแกะกันแล้วก็เลยเกิดอาการสับสนไม่เข้าใจกันขึ้นมายังต้องถามเมื่ก่อนว่าที่เขาพูดนี้เขาพูดถึงตอนไหนตอนที่นั่งหรือที่กาลังเคลื่อนไหวกาลังทาอะไรอยู่ เพราะมันมันจะใช้เหมือนกันไม่ได้ลมนี่มันดูยากถ้าเราทำอะไรอยู่ไปดูลมเดี๋ยวก็แตะไอ้นู่นแตะไอ้นี่เวลาทำงานก็ต้องดูงานที่เราทำไม่ดูลมไม่ได้จะดูลมได้ก็ตอนที่ร่างกายไม่ได้ทาอะไรนั่งเฉยๆจากคุณมาดามศูนศูนย์เจ็ด อยากทราบวิธีการวางเฉยกับโลกธรรมเจ้าค่ะก็ต้องฝึกสมาธินี่แหละถึงจะวางเฉยได้แบบจริงๆไม่งั้นก็มันแบบเฉยเมยหรือเฉยแบบอึดอัดภายในใจแต่ถ้าได้เฉยแบบสมาธิที่เรียกว่าออเบคขามันจะเบามันจะสบายใจมันจะไม่กุ่นวายกับเรื่องอะไรต่างๆที่มารับรู้จะไม่มีความรักความชังความกลัวความหลง อันนี้เกิดจากการทําใจให้สงบด้วยการฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเรื่อยมีคําถามไหมเอาคําถามสุดท้ายอันนี้ยังมีสองคำถามอยูมีสองคำถามค่ะสองคําถา ม, ถามแต่คุณจินขอบมีสองคำถามนะคะเอาเลยค่ะคุณจินขอบกราบนรัสการครับเจตนาคืออะไรครับตั้งใจไงควาว่าเจตนาก็คือมีความตั้งใจจงใจ จงใจจะฆ่าเขาจงใจจะลักทรัพย์นี่เรมีเจตนาฆ่าโดยไม่มีเจตนาก็คือเดินไปแล้วไปเหยียบมดตายโดยที่ไม่มีเจตนาแต่เห็นหมดแล้วอยากจะฆ่ามันเพราะมันมาทำให้เร า, เ, าเข้ามาบ้านเรามารบกวนเราเราก็เลยฆ่ามันอย่างนี้เรียกว่าจงใจมีเจตนาข้อสองของคุณจินขอบนะคะความอยากในใจมีมากแก้ด้วยบุญหรือทาอย่างไรดีครับ ก็ได้ได้หลายระดับไงถ้าั้ระดับที่ง่ายที่สุดแต่ไม่ได้หมดก็คือทำบุญทาทานอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทาบุญพอไม่มีเงินทาไปเที่ยวมันก็ไปเที่ยวไม่ได้พอไม่ได้เที่ยวความอยากมันก็จะหายไปแต่มันไม่หายหมดถ้าพอมีเงินขึ้นมาอีกมันก็อยากขึ้นมาอีกถ้าอยากจะให้หายหมดมันก็ต้องไปขั้นสมาธิขั้นปัญญาต้องภาวนา คำถามของคุณสิริปรียาค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าได้ขั้นแรกแล้วก็ทุกครั้งไปเที่ยวกเาเงินไปทำบุญก็จะได้รู้ทุกครั้งอยากจะซื้อกระเป๋าลองเท้าที่ไม่จำเป็นต้องซื้อก็อไปทาบุญพาเราทำได้ทุกครั้งก็แสดงว่าเราทำขั้นที่หนึ่งได้นะ เราก็สามารถไปขั้นที่สองได้ไปรักษาศีลได้อยากจะไปเที่ยวถือศีลแปดก็ไปเที่ยวไม่ได้อยากจะไปงานเลี้ยงไปกินอาหารข้าก็ไปไม่ได้เพราะเราถือศีลแปดอยู่อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ร่วมไม่ได้นอนไม่ได้เพราะเราถือศีลแปดอยู่ก็ไปขั้นที่สองพอเราขั้นที่สองได้ถือศีลแปดได้แล้วก็ไปขั้นที่สามไปนั่งสมาธิไปฝึกสติ พอได้ขั้นที่สามก็ไปขั้นที่สี่ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของการทาตามความอยากว่านาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขมันก็จะเลิกความอยากได้อยา่างถาวรหมดหรือยังหมดแล้วเลยหมดแล้วค่ะหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ